ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัมมนาสนท น, นาค่ะเรามาพบกันตามที่นัดกันไว้นะคะสําหรับดิฉันก็ต้องเป็นวันพระหัสบุรีและวันศุกร์ที่จะมากราบสนทนากับพระมหาภบยบุญอภิปุโนท่านเพื่อนวยการหลักสูตรเล่นของวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรนธานีค่ะเรามาก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นนอกจากจะได้รับรู้ ถึงคำสอนของพระาศาสดาได้เรียนรู้ก็ได้ฝึกปฏิบัติกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาที่ถูกเรียกว่าสิกขานะคะเพราะว่าจะต้องมีการปฏิบัติด้วยโดยท่านไม่ต้องไปถึงที่สถานที่ปฏิบททัติธรรมก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยเพื่อความมั่นใจของตัวท่านมีครูบาอาจารย์เนะะี่ยค่ะ ตอนนี้ดิฉันก็จะนําท่านทั้งหลายไปพบกับครูบาอาจารย์ของเราก่อนนะคะนั่นก็คือพระมหาไพบูรณ์กราบน้อส ก, การ์ครับท่านคะเจริญบานก่อนที่เราจะมาฟังธรรมก็นำธรรมะเข้าสู่ใจด้วยการปฏิบัติซะก่อนโดยให้เริ่มด้วยการตั้งสติขึ้นสตินั้นเป็นธรรมะหมวดแรกเลยที่พระบรุทธเจ้านึกถึงคิดถึงก่อนว่าจะไปสอนสอนนี้ก็คือสอนให้เกิดการปฏิบัติขึ้นเวลาที่เราจะมาศึกษาด้วยการปฏิบัติ คือการทำสิกานั้นให้เราตั้งสติไว้คเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้คือเรื่องของลมหายใจใช้ลมหายใจที่มีอยู่เป็นอยู่ของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างเป็นปกติธรรมดาในการที่จะมาตั้งจิตตั้งสติก็เราไว้จิตของเรานั้นถ้าระลึกตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรีตรึกคิดนึก เรื่องอื่นๆไปนอกเรื่องที่เป็นสุขบ้างจิตมันก็จะสุขไปตามนั้นถ้าเป็นตรีตรึกคิดนึกเรื่องที่เป็นทุกข์จิตมันก็จะทุกข์ไปตามนั้นเพราะจิตมันจะน้อมไปการน้อมไปนี่คือการก้าวลงละยึดถือละเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็ให้จิตของเราเนี่ยมาตรีตรึกคิดนึกในเรื่องของลมหายใจการที่จิตของเรามาตรีตรึกคิดนึกในเรื่องของลหมหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากับลหมหายใจนั้นคือสตินั่นเอง สติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมารักษาจิตของเราไม่ให้เวลาที่มีภาษาใด้ใมากระทบมันจะขึ้ น, นลงๆไปตามความสุขที่เป็นลักษณะที่ให้เราลุ่มหลงแต่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจจิตเราถ้าไม่มีสติรักษามันก็จะถูกลากลงไปมีความทุกข์แต่ถ้ามีสติรักษาเมื่อสิ่งใดมากระทบแล้วมันก็จะไม่ขึ้ น, นลงๆไปตามสิ่งเหล่านั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าสติเรามีกาลังหรือไม่ สติเราจะมีกําลังมากหรือกําลังน้อยก็อยู่ที่ว่าจิตของเรานั้นเอามาใส่ไว้กับลมหายใจได้อยู่อย่างต่อเนื่องได้อยู่อย่างติดต่อได้อยู่อย่างไม่กาดสายได้อย่างละเอียดละออได้อย่างชัดเจนมั่นคงหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้เหมือนกับเรื่องของเสาที่เราปักฝังลงไปในดินถ้าเสานี้มันเป็นเสาแบบไม้ไผ่ซีกธรรมดา ปักลงไปในดินก็เป็นดินเลนดินโกลนปักลงไปก็ไม่ได้ลึกอะไรด้วยแต่ถ้าแค่ลมพัดแรงๆหรือฝนตกทรายืางทีมันอาจจะลมได้นี่คือเสาที่ไม่มั่นคงถ้าเปรียบเทียบกับเสาที่มั่นคงที่เป็นเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อฝังลงไปในดินตั้ง3ามส่วนสโผล่ขึ้นมาแค่1นส่วนสี่ลึกด้วยตบดินแน่นด้วยทำมุม90้าองศากับพื้นดินด้วย สาวประเภท น, นี้ก็จะมีความมั่นคงสติของเราฝึกให้มีความมั่นคงโดยการที่เราเอาใจมาใส่กับลมอยู่เรื่อยๆเราเอาใจมาใส่กับลมเมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสติทันดีเพราะจิตเราตรึกตรึบนึกน้อมมาในทางแบบนี้ละ่ะสติที่เกิดขึ้นนี้ฝึกให้มีความชํานาญโดยเราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ได้ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาว ลมหายใจนั้นให้เป็นธรรมชาติของมันเราไม่ได้มาฝึกแต่งลมหายใจให้เป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้แต่มาในที่นี้เราต้องให้มีการควบคุมจิตการควบคุมนี้ไม่ใช่ว่าการข่มบังคับข่มกี่คูเค้นมันถ้าข่มกี่คูเข้นมันก็เป็นลักษณะของความอยากการบังคับมันก็จะไม่ได้แต่ให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติก็ว่าทําอย่างเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าแบบปล่อยมันไปตามความคิดก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตรงนี้ก็จะต้องมีการ เอาใจจดใจจ่อคําว่าเอาใจจดใจจ่อในที่นี้หมายถึงให้มีการควบคุมนั่นเองไม่ได้บังคับจิตไม่ให้ไปคิดไม่ได้ปล่อยให้จิตไปตามความคิดแต่ให้จิตนั้นมาอยู่กับลมหายใจอย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดเพราะถ้าบังคับความคิดบาดีมันจะปวดหัวอย่าปล่อยจิตไปตามความคิดเพราะถ้าไปตามความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆตามความคิดนั้นแต่ให้จิตอย่างน้อยในขณะที่มีความคิดอยู่ ก็ให้ไม่ลืมลงลงหมหายใจให้รู้ลหมหายใจไว้ด้วยทําอย่างนี้มันจะทําให้จิตของเรามีกําลังสติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสติที่มีกําลังเหมือนกับเสาที่มีความมั่นคงก็สามารถที่จะรักษาจิตของเราได้ให้มีกําลังดีขึ้นสูงขึ้นได้การปฏิบัตินี้ให้ท่านผู้ฟังทําอยู่เป็นประจำฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องสติที่เปรียบเหมือนกับเสาของเราก็จะเหมือนกับเสาที่พระพุทธเจ้าให้สเปกเอาไว้คือเป็นเสาเขื่อนเสาหลัก ที่มีกำลังมั่นคงสามารถที่จะใช้ผูกสัตว์ปา่าจิตของเราบางทีมันมีความเป็นปา่าปามันก็จะอยู่ได้นั่นเองเช่นพรสาธุค่ะค่ะท่านฟังก็คงจะค่อยคคุ้นเคยมากตามลำดับนะคะสำหรับผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติกันอยู่กับพวกเราเป็นประจำท่านผู้ใหม่ก็พยายามต่อไปนะคะท่านจะปฏิบัติต่อเนื่องกันไปในระหว่างที่ได้สนทนาธรรม กับกรรมหาภัยบุญก็ได้ถ้าอาจารย์คะอืมวันนี้จะเป็นคําถามจากท่านฟังท่านหนึ่งชื่อคุณชลินาชาวลายามบอนทราบจากท่าอาจารย์ว่าคําถามนี้จริงๆส่งมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่แล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยซะก่อนอือ๋อคะ่คะค่ะแต่ฉันขออนุ ญ, ญาตอ่านภาษาไทยนะคะได้ๆคุณชลินาถามมาว่าระหว่างการทําสมาธิกับการหมือลอยแบบฝันกลางวัน มีความแตกต่างกันอย่างไรเพ mm hmm. ตอนที่เหม่อลอยฝันกลางวันก็มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. ในขณะที่การทําสมาธิก็มีใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเหมือนกันดิฉันคือคุณชาลินานะคะ mm hmm. บางครั้งก็พบว่าตัวเองตอนที่รู้ลมหายใจอยู่ก็มีใจเหม่อลอยไปในเรื่องอื่นๆบ้างเหมือนกัน mm hmm. ดิฉันเพิ่งฝึกนั่งสมาธิคะ่ะโอเคเอา ศิลปธรรมในที่นี้ที่คุณจรินาถามมาที่พูดถึงเรื่องของการทําสมาธิกับการเมอรลอยฝันกลางวันซึ่งคนที่นั่งอยู่ในที่ทํางานแล้วก็เมอร์ลอยไปฝังกลางวันไปเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของสมาธิแบบหนึ่งนะคุณโยมเดี๋ยวถ้าเราจะมาพิจารณาดูเพราะว่ามันก็เอาใจจดใจจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะแทนที่ว่าจะเอาจดใจจ่ออยู่ในเรื่องการงานก็ ค, คิดไปเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนั้น เออมันก็มีวิโตวิจารเหมือนกันตรงนี้นี่ยหรอไหมทีนี้ว่าไอการเหม่อลอยแบบนั้นเราต้องมาแยกแยะแจกแจง ก, ก, กันนิดนึงว่าความคิดแบบไหนใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เออสมาจะแยกเป็นชั้นจไปก่อนทีนี้คนที่เหมือลอยอกับคนที่มีสติตั้งมั่นจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าความคิดตรงที่คุณข้อพิคิดแต่ถ้าคนที่มีสมาธิมีสติดีเนี่ยความคิดที่เข้าไปเอาใจจดใจจ่อตรงนั้น มันจะไม่ได้เป็นเรื่องของการไม่ได้เป็นเรื่องของพยาบาทไม่ได้เป็นเรื่องของการเบียดเบียนจะไม่เป็นตรงนั้นจิตจะไม่ได้มีความคิดเป็นในทางนั้นเห็นเรื่องที่เขาฆ่ากาันเขาเบียดเบียนกันก็จริงแต่จิตก็จะน้อมไปในลักษณะที่จะไม่ฆ่าไม่เบียดเบีย <bait> น <squash> จะไม่ได้ไปลักษณะนั้นแต่คนที่เมื่อยลอยเมื่อยลอยเนี่ยก็อาจจะมีความคิดพวกนี้โผล่แวบๆไปไปมาๆอันนี้คือประเด็นที่1นึน่ประเด็นที่2คนที่ฝันกลางวันเนี่ย ก็จะมีลักษณะของความเพลินไปเพลินลักษณะของความเพลินนี่ก็เป็นแบบไม่มีสติในะเพลินเนี่ยจะตรงข้ามกับการมีสติในะการเพลินคือการที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่เราไปคิดใกล้ครวญนั้นเนี่ยตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาแตนะคือคนที่มีสติซึ่งมันตรงข้ามกับเพลินเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นความคิดนั้นตามเป็นจริงได้แลนะจะไม่เพลิน นี่คือในประเด็นที่สองน ะ, ะการเหมือนลอยฟักนกลางวันจะเป็นลักษณะของเพลินแต่ว่ามีเรื่องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะ่ะทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับมาในเรื่องของสมาธิบางคนก็เพลินไปในสมาธินะคุณหยบติวบางคนก็เพลินไปในโลหมหายใจมันเพลินได้ตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเผื่อเรามีสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นนะหรือว่าเราเห็นความรู้สึกใดหนึ่งที่เกิดในใจของเราแล้ว เราแบบพอใจยินดีสบายใจในความสุขนี้และเกินกับเพลินไปเพลินไปอันนี้คือคือปลาดหละก็เรียกเพลินไปในสมาธิก็จะเป็นลนักษณะของมิจฉาสมาธินั่นเองมิจฉาสมาธิก็มีนะเออเช่นบางคนที่เขาจะวางแผนปล้นเมืองอย่างเงี้ยวางแผนโกงอย่างเงี้ยโอ้ยสมาธิเขต้องแนว่วแนว่แนมากเลยเขาจะทําตรงนี้ได้จริงก็ต้องมีอารมณ์มันเดียวแต่ว่ามันดันไปทํา อันเป็นผลของการที่ทําให้ดีทีนี้อย่างเช่นความพอใจกําหนัดเกลือกกล้วในสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยพอใจกําหนัดเกลือกกล้วเนี่ยเมื่อไร่พวะงนั่นตรงนี้นคือความเพลินดันดีเพราะมันเข้าไปยืดตือเป็นอุปตาละอะไนั้นก็คือฝันกลางวันในสมาธินั่นเลยเมื่อลอยไปละเพลินละในสมาธินั่นเพราะฉะนั้นสมาธินั้นจะไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วนะเป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิ ที่คุณชลิดาถามมาว่าบางทีตัวเองก็รู้สึกว่ารู้ลมหายใจแต่ก็มีความคิดหมือนลอยไปในเรื่องอื่นๆบ้างอันนี้ก็ต้องมาแยากแยะนิดหนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าการมีความคิดในขณะที่ทําสมาธิเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดมันจะไม่เป็นสมาธิมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าสมาธิแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิแบบที่แบบนิ่งเงียบเหมือนทะเลเรื่บเรียบไปแบบนั้นก็มีอันนี้ถ้าทําได้ก็ดีแต่ไม่ใช่ว่า เรามีความคิดทั้งหมดมันจะไม่ใช่สมาธิอย่างเพราะว่าเช่นว่าบางทีเราทํางานหรือเราทําข้อสอบอย่างเงี้ยนะคุณยมเติยวเช่นว่าบางทีเราเคยสอบทาข้อสอบเนี่ยเราต้องเอาใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องการทำข้อสอบอย่างเดียวอันนี้ก็มีความคิดนะจิตตอนนั้นก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะสมาธิที่มีความคิดตราบใดที่ความคิดนั้นไม่ใช่เรื่องทางกา ร, รพยาบาติเบียดเบียนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนะเพราะนั้นเวลาที่เรามีใจเหมือนลอยไปบ้าง แต่ถ้าเราไม่ลืมหลงลงมหายใจอันนี้สําคัญอย่างที่เรามาพูดเมื่อตอนตอน้นตอนที่พานําสมาธิเนี่ยทำปฏิบัติเนี่ยที่ว่าเออมีความคิดอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมหลงลงมหายใจลักษณะตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบกับอะไรเปรียบกับเวลาที่เราผูกสัตว์6ชนิดไว้กับเสาเกือนเสาหลักที่มันโกงเสาเกือนเสาหลักที่แบบฝังลงไปอย่างดีเออเราก็มีตบดินอย่างแน่นเราเอาสัตว์6ชนิดเนี่ย จะเป็นลิงนกงูสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านแล้วก็จระเข้มาผูกเชือกกับไว้ไปลายด้านหนึ่งมาผูกกับเสาในขณะที่มันกําลังดึงเพื่อที่จะกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันแน่นอนว่าเสานี้จะได้รับแรงดึงอันนี้เปรียบเหมือนกับจิตของเราที่มันเป็นลิงมัดีมี ม, มีความคิดแต่ในขณะที่เรามีความคิดเราไม่ลืมลมนะจิตอันหนึ่งที่มันอยู่กับลมจิตอันหนึ่งที่นพยายามจะถูกลิงดึงไปความคิดดึงไป อันนี้มันคือเชือกที่กำลังตึงอยู่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราลืมลมไปแล้วลืมลมไปแล้วคือเชือกขาดละหรือว่าเสาล้มลงไปละดังนั้นในขณที่เราฝึกเนี่ยถ้าเราลืมลมแล้วก็คือเชือกขาดไปหรือว่าเสาล้มลงไปเนี่ยเราก็ผูกเชือกใหม่หรือตั้งเสาขึ้นใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่ลืมหลงลมหรือดึงกลับมันมาผูกได้เนี่ยผูกปุ๊บแรงมันจะอ่อนลงไปนิดนึง นะแรงของสัตว์ประเภทนั้นเนี่ยจะอ่อนลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าจิตของเรามาอยู่กับลมมากขึ้นนะจิตของเราทำไมไมาอยู่กับลมมากขึ้น เ, เพราะว่าเราเลึกได้อาสติตรงเนี้ยเราเอาใจมาใส่ตรงนี้ปุ๊บสติก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งมีกำลังเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งสติก็จะรักษาจิตได้ตรงนี้อันนี้คือในข้อที่หนึ่นะที่คุณชลิดาถามมาก็เท่ากับว่า จริงๆแล้วที่คุณชนิดาทําอยู่นั่นแหละคือการนั่งสมาธิที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นธรรมดาที่ในสมาธิก็มีความคิดเพียงแต่ว่าอย่าคิดในเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็ต้องกลับมาหาเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจดถูกต้องถูกต้องแล้วก็ในขณะที่เรากลับมาเนี่ยอยู่กับลมเนี่ยเราอย่ากให้มีความแบบเสียใจโอ้ทําไมฉันพุ่งเศร้อีกแล้วแต่เพราะว่าความคิดแบบเนี้ย มันจะทำให้จิตอ่อนกำลังมันเป็นลักษณะของเครื่องกลางกั้นเป็นนิวรนเราก็ยังมีความคิดว่าโอ๊ยฉันทำไมแย่ yeah, ฉันฟุง้งซ่านอย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องคิดเรื่องนี้แต่ก็ไม่คิดเรื่องลมไปธรรมด า, าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ได้เคยมีประสบการณ์แนมะ้แต่กระท่านตัวเองก็เคยนะคะที่จะนึกว่าเราเนี่ยนั่งสมาธิแล้วฟุง้งซ่านเพราะว่าไปคิดอย่างอื่นด้วย ไม่ได้เพียงอยู่กับสมาธิที่ไม่คิดอะไรอื ม, อมตอนหลังถึงได้มาทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเหมือนกันแต่ต้องมาพิจารณาดูว่าใช่สมาธิหรือเปล่าคือยังมีการยังมีพยาบาทยังมีเบียดเบียนหรือไม่มแล้วก็เรากลับมาอยู่ที่ลมได้ทันหรือเปล่าคือมีสติหรือเปล่าใช่ใชนะะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนซึ่งท้อไปเลยนะครับบางคนมองว่าอุ้ย ไม่เอาแล้วเลิกนั่งทีไรมันฟุ้งซ่านทุกทีอืมสงสัยจะทําสมาธิไม่ได้คนจํานวนมากทีเดียวค่ะที่จะปารกแบบนี้อืมย่างนั้น ไ, ไม่ได้เลยคืออย่างสมมติว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิต่อให้มันฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่เนี่ยมันก็ยังจะมีสักหนึ่งลมหายใจหรือสองลมหายใจที่เราจะพอทําได้อย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งสมาธิเอาไม่ต้องถึงชั่วโมงเราเอาสิบนาทีพออย่างเงี้ยนะในสิบนาทีเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงหนึ่งนาทีหรอกเอาแค่ไม่กี30สิวินาทีแค่30ิวินาทีที่เราแบบเออพอจะใจจดใจจ่อตั้งสมาธิได้อีก9้านาทีกับอีก30วินาทีเนี่ยโหเป็นคิดนั่นนี่โน่นไปใช่ป่ะในช่วงสิบนาทีนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราคิดว่าโอ้ยฉันต้องเก้านาที30ิวินาทีฉันทําไม่ได้ทำได้แค่30วินาทีเอาฉันเลิกแล้วกันถ้าคิดอย่างนี้นะ30สิวินาทีเราก็ไม่ได้เราจะเสียต่อง30วินาทีนั้นไป ค่ะคือถ้าคิดให้เสียต้องคิดแบบนี้อืมแต่ถ้าคิดแล้วจะทําให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าต่อไปได้ไม่ท้อแท้ก็คือต้องคิดด้วยโหนั่งสินาทีได้ทั้ง30มสิบวิถูกมใช่ใช่แล้วตรง30วสิบวิเนี่ยถามว่ามันดีมันประเสริฐกว่าตรง9นาที30ตรงนั้นไหมอันนี้แน่นอนเพราะว่าสีขาวยังไงก็ขาวกว่าวสีดํำใช่ไหมประเด็นคือว่าเราจะเพิ่มตรงสีขาวที่ว่าเราทําได้เนี่ยเพิ่มได้อย่างไง จะลดไอ้ตรงที่มันเป็นก้านนาที30สิวินาทีที่มันแบบฟุ้งซ่านบ้าบอเนี่ยไม่ได้เนี่ยทําไม่ได้เนี่ยจะลดมันเนี่ยทายังไงดังอย่างที่อาจามาบอกในตอนแรกเลยอันนี้เอามาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละที่บอกว่าจิตของเราเนี่ยต ร, ตรึกไปในเรื่องใดใมากจิตก็น้อมไปด้วยกันอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจิตรจรของเราไปตรึกตรึกเรื่องที่ว่าโอ้ยทำไมฉันทําไม่ได้ทํำไมฉันฟุ้งซ่านเนี่ยถามตัวเองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็จะมีคําตอบโยนออกมาเต็มที่ไปหมดเลยโอ้เพราะเธอเป็นอย่างนี้เธอทํากรรมอันนี้มาเธอต้อองงงย่าี เป็นเรื่องใหมไ่ไปไอ้ตรงก้านาที30วินาทีเนี่ยก็จะขยายเพิ่มขึ้นเพราะจิตเราไปใส่ตรงนั้นตรงนี้ทําไม่ถูกแตนะเราก็ต้องเอาจิตของเราเนี่ยมาใส่ไอ้ตรงที่เราทําได้เอ้ยสวินาทีตรงนั้นฉันทำได้เนี่ยหรือแม้แต่ลม2ลมก็ตามที่ฉันรู้ได้ทําได้เนี่ยอ้ฉันทำมาอย่างไงจะนํามาอย่างไงถามตัวเองอย่างเนี้ยไอ้คาตอบต่างที่ว่าอ๋อเธอทําได้เพราะอย่างนี้เศรษเธอรักษามาถูกเธอฟังพุทธพจน์บทนี้เธอทำอย่างนี้เธอกี่นานารพอประมาณ ไอ้คำตอบ ว, วันนี้มันก็จะไหลออกมาไหลออกมาไอ้ที่สาิบนาทีนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น2นาทีบ้างอย่างเงี้นะจากเก้านาทีสาสิบวินา ท, นาทีมันก็จะลดเหลือแค่แปดนาทีที่ฟูงชั้นเนีย่ยสองนาทีเรามาโฟกัสตรงนี้ให้มากไอ้ฉันทำมายังไงทํำไมฉันถึงทาได้มันก็เพิ่มเป็นห้านาทีขึ้นมาอย่างงี้แต่ก็จะค่อยๆเพิ่มตรงเนี้ยเป็นตามกระบวนการไปที่ว่าจิตของเราใส่ไว้ในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นนั่นเองครับท่านอาจารย์คะ ที่ฉันที่จะถามเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยากทราบว่าในปริมาณเพียงแค่สามสิบวินาทีในเวลาทั้งหมดสิบนาทีที่สมมุติขึ้นมาสำหรับการพยายามทำสมาธินะคะถ้าได้แค่สามสิบวิแล้วสมมติว่าได้แล้วเนี่ย พระพุทโธได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้หรือไม่ครับเพราะว่าจะได้เป็นเครื่องทําให้ใจชื้นขึ้นมาอีกอ๋อพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้อย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าตรัสงี้พวดดนิ้วแต่แค่เรามานึกถึงอานาปนาสติชั่วรัดนิ้วมือเดียวรัดนิ้วมือเดียวนี่มันยังสั้นกว่า10วินาทีนะคุณโยมติว๋ว <c oughs> แค่รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่เหินทางจากฌานแต่ทําตามคําสอนของพระศาสดาโหแล้วทำได้มากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันดีกว่าแน่นอน <Hey. S 2> ค่ะนะคะทนังทั้งหลายก็จะได้ไม่ได้เหมือนกับว่าจะได้ไปต่อได้ที่ท่านผ่านมาเนะี่ยถ้าไม่ได้ผิดนะคะที่คิดแบบนี้มีคนจำนวนมากคิดเหมือนกันว่าเรานั่งสมาธิไม่ได้เพราะนั่งทีไรมันคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านแน่นอนแต่เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็พยายามต่อไปเข้าใจว่าในส่วนของความยาวของเวลาที่ท่านได้สมาธิก็น่าที่จะเพิ่มมากขึ้น ตามเวลาที่ท่านได้พยายามกันต่อไปตรงนี้ที่คนนิยมมักจะคิดว่าโอ้ฉันทาสมาธิไม่ได้เนี่ยคาพูดคำเนี้ยเป็นศัพท์ที่แบบว่า generalize มาแล้วคือแบบเหมารวมเพราะว่าถ้าเราทงสมาธิเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเราจะเหมาว่าเราไม่ได้ทั้งหมดมันไม่ใช่ตรงนี้จึงต้องแยกแยะแจกแจงการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องแยกแยะแจกแจงอย่าเหมาจะเหมาว่าอันนี้ผิดหมดหรือเหมาว่าอันนี้ถูกหมดมันไม่ใช่ละอันนี้จะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าละ เพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นพักขว่าพักาวาคือผู้จําแนกแจกตามคือแจกแจงว่าส่วนที่ใช่นะเป็นงี้นะส่วนที่ไม่ใช่เป็นงี้นะเราก็เลือกเอาตรงไหนไม่ดีเราก็ปาดทิ้งตรงไหนดีเราก็เก็บมาทำให้มันมากขึ้นดีน้อยน้ อ, น อ, นอเราก็เก็บทีละน้อยละน้อยมันก็ค่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ ม, ม, ม, มอย่างเงี้นะค่ะทีนี้คุณชอรีนาได้ถามคําถามต่อนะคะบอกว่า ในลักษณะที่พบว่าตัวเองตอนรู้ลมหายใจอยู่มีใจเหมือนลอยไปในเรื่องอื่นบ้างนั้นเนี่ยการทําสมาธิเป็นลักษณะการทําสมาธินี้เป็นลักษณะแบบอะ trance หรอคะ trance หรือเปล่าคะอืมคือเป็นแบบตกอยู่ในภวังครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเปล่าคะหรือเป็นลักษณะการสะกดจิตหรือไม่มค่ะซึ่งสาบเรื่องของการตกผวังที่ ลักษณะแบบครึ่งแบบครึ่งตื่นที่อยู่ในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า trance เนี่ยนะคือเหมือนกับว่าอยู่ใน unconscious mind conscious ครึ่งไม่ไม่ conscious ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแบบลักษณะแบบสะกดจิตนิดๆอย่างเงี้ยนะซึ่งฝรั่งนี่เขาจะมีทำพวกนี้อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะต่างกับการทําสัมมาสมาธิตรงที่ว่าสติของผู้ที่ตกอยู่ใน trance หรือว่าอยู่ในผวาลักษณะนั้นอาจจะไม่ได้มีเต็มที่ไม่ได้มีสติ ซึ่งคนที่ทําสมาธิอย่างถูกต้องเนี่ยอยู่ในสมาสมาธิเขาจะมีสมาสติอยู่แต่มีปุรปุษบที่หนึ่งที่พูดถึงว่าองค์ประกอบของสมาสมาธิมีอยู่เจ็อย่างนั่นคือไล่มาตั้งแต่สมาธิทิสมาสังกปรสมาวาจาสมากรรมนันต์ตาสมาอาชีวะสมาวายามะและสมาสติสมาสติทั้งหมดเจอย่างนี้ถ้าอยู่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสมาสมาธิ เพราะฉะนั้นสมาธิต้องมีสติที่เป็นสัมมาสติกําหนดอยู่ที่เรามาพยายามเน้นว่าสัมมาสติเนี่ยเพราะว่ามิจฉาสติก็มีที่เรามาพยายามเน้นว่าสัมมาสมาธิเนี่ยก็เพราะว่ามิจฉาสมาธิมันก็มีแต่เราจึงต้องดูให้ถูกว่าอันไหนมันมิจฉาไหนเป็นสัมมาทีนี้มันก็จะต้องเริ่มมาจากจุดที่เป็นสมาธิฏิไงถ้ามีสมาธิฏฐิในเวลาเราตั้งสติขึ้นก็เป็นสัมมาสติ ระทิฏฐิที่เราตั้งเอาไว้ในการที่เราจะมาทำสมาธิทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้พ้นจากทุกไม่ได้จะเอาไปใช้ในทางอื่นเพื่อที่จะให้จิตมันเป็นราวมณเดียวมีการกระทำให้ละตัณหามีการกระทำให้รู้แจ้งตามมรรคอย่างเงี้ยถึงจะถูกเป็นสมาสตินะค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็ก็ถือว่า ไม่ใช่การสะกดจิตถูกไหมคะไม่ใช่การสะกดจิตไม่ใช่การสุขดจิตคือคือบาง <Okay. S 1> ทีบางคนก็จะมีความคิดอย่างนี้ด้วยว่าเออนั่งสมาธิไปแล้วก็มีครูบาอาจารย์พูดพูดไปพูดไปพูดไปอีกคนที่เป็นลูกศิษย์กน็นั่งไปนั่งไปเอ้ย อ, อย่างนี้เหมือนกันสะกดจิตเหมือนกันนะถ้าดูดูจากภายนอกแล้วเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาสะกดจิตเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันเอาให้ subject ที่เขาจะสะกดจิตเนี่ยหับตาชะแล้วเขาพูดไปหูวซ้ายบ้างหูขวาบา้าแล้วก็เดี๋ยวไปให้ไปทําท่านั้นทำท่านี้นนททนอะไร เป็นลักษณะการสะกดจิตแต่ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยจะให้มีสมาธิติก่อนแล้วก็ต้องมีสมาสติด้วยจิตนั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาจะไม่ใช่ครึ่งหลับครึ่งตื่นจะไม่เป็นอย่างนั้นน่ะอืค่ ะ, นะคะนะคะก็จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปคําว่าอาพาธในการทําสมาธิหมายความว่ายอย่างไรคะคุณชลินาถามต่อคะ่ะคําว่าอาพาธก็คือป่วยนั่นเองเดีย๋ยวแสดงว่าต้องสุขภาพดีมาก่อน เพราะฉะนั้นการที่เรามีสมาธินี่คือสุขภาพจิตดีแต่แต่ว่าถ้าจิตบวยคือจิตที่มีราคาโตสามโมหะอันนี้คือจิตแบบไม่สบายจิตที่มีราคาโตสามโมหะไม่สบายเอาจะแก้ความไม่สบายนี้ทํำยังไงก็เอาสมาธิใส่เข้าไปแต่พอมีสมาธิแล้วราคาโตสามโมหะมันมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับไปทีนี้ว่ามันจะกลับกําเริบ ม, มาอีกหรือไม่คื อ, อีกที่ว่ารากมันมีไหมอย่างเราถ้ายกตัวอย่างก็คือ พระเจ้ายกตัวอย่างถึงเราตัดต้นไม้เนี่ยตัดถึงโคนมาแล้วหนะคิดว่าที่นี่ราบเรียบไม่เป็นป่าไม่รกอะไรอีกแต่พอผ่านไปสักฝน2ฝนเอามันดันโตขึ้นมาอีกแล้วก็เหมือนกันว่าเวลาที่เราทําสมาธิแม้จิตเราเรียบร้อยดีมันไม่น่าจะมีอะไรมากําเริบอีกขึ้นมาสบายใจละแม้แต่แป๊บแ ป, บแปบมันดันมีแบบวาบขึ้นมานิดหนึ่งเอ๊นี่เปนอะไรสิ่งความคิดบ้าบอเช่นอ่า ส, สิ่งที่มันจะมาเป็นอาพาธนั่นเองแบบนี้ สิ่งจัง่งมาอาพาธในสมาธิในเวลาเราทําสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันแบบเหมือนกับกระตุกขึ้นมาเหมือนกับตื่นเต้นเกิดขึ้นหรือนั่งสมาธินิ่งๆอยู่เป็นอุเบคาแหมปีติโผล่ขึ้นมาปีตินี้เป็นอาพาธน ะ, <Okay. S 1> ะเพราะว่ามันมั น, ม, นมันไม่ละเอียดเท่าอุเบคานี่อุเบคาดีกว่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําว่าอาพาธคื อ, อป่วยพรพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องของฌานสมาธิเนี่ย แล้วก็เอาขั้นที่ต่ากว่าตรงนั้นเป็นอาภพาธยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในพยายามจะฝึกสมาธิในขั้นที่1คือชั้นหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ต้องแยกแยะก่อนว่าความคิดที่เป็นการพยาบามเบียดเบียนแยกไว้ส่วนหนึ่งความคิดที่หลีกออกจากกามไม่เกี่ยวเนื่องด้วยพยาบามไม่เป็นการเบียดเบียนก็แยกไว้ส่วนหนึ่งคือเขาจะไม่เหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเป็นความพุ้สซ่านไม่แต่เขาจะรู้จักแยกแยะว่าอ๋อไม่ดีก็แยกไปดีก็แยกมาใช่ไหม เอาที่ไม่ดีแยกไปเนี่ยไม่ไปคิดมันตั้งสติไว้ไม่ให้เผลอแต่มาอยู่กับลมมีความคิดที่ดีโอเคไม่มีปัญหาความคิดที่ไม่ดีละมันละมันจกนกระทั่งทํำได้ดีชํานาญแล้วมีปีติสุกเกิดขึ้นในใจคือจิตของเราเนี่ยพอเราตั้งไว้ในกุศลธรรมมากถึงระดับหนึ่งไอ้อกุศลธรรมที่เป็นความคิดไม่ดีมันลดลงไปลดลงไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะมีความปีติมีความอิม่มเอิบใจความสบายใจ มีความมีแบบใจความสบายใจปุ๊บมันก็จะแบบเกิดขึ้นตัวตัวใช่ไหมทีนี้ในขณะที่เราอยู่ในฝึกในฌานสมาธิขั้นที่1เนี่ยให้มีความเป็นชํานาญขึ้นให้ตั้งอยู่ในธรรมนี้ได้เนี่ยบางทีมันมีไอความคิดบ้าบาบอเรื่องในทางกามแม้เช่นจะไปกินสิ่งนั้นจะจะไปเที่ยวที่นี่จะไปหาความสนุกทางหูอย่างนี้วารขึ้นมานี่ไอแบบเนี้ยมันเป็นอาพาธแม้จิตขอเราดีๆอยู่มันนันเกิดป่วยขึ้นมา ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายก็คือว่าฉันออ ก, กําลังกายดีอยู่สุขภาพแข็งแรงเกิดฝนตกไปตากโฟล์ดอายเป็นหวัดมันอาพาษขึ้นมาอย่างงี้นี่คือคำว่าอาภาษในสมาธิค่ะเสียหายไหมคะท่านคะกับการปฏิบัติก็เสียหายสิรบกวนไงรบกวนทําให้ไม่ต่อเนื่องทําให้ติดขัดก็มีอาพาษต์เป็นธรรมด า, าแต่เสียหายอยู่ค่ะทีนี้จะทํายังไงให้อาภาษตนี้มันไม่เกิดก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป เช่นว่าในกรณีนี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงสมาธิขั้นที่สองว่าเอ้ยถ้างั้นมาคิดแต่เรื่องที่มันดีๆบางทีเรื่องที่ไม่ดีมันก็โผล่มาด้วยโอ้ยมันเป็นอาพาธงั้นอยากคิดมันซะความคิดอะไรไม่เอาทั้งสิ้นไม่เอาความคิดใดๆอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่2ขึ้นไปละความคิดที่ไม่มีอะไรแบบพยายามที่จะไม่คิดพยายามจะทิ้งความคิดแบบว่าคนที่จะพยายามทิ้งความคิดขึ้นชั้นขั้น2ได้เนี่ย คุณต้องทําขั้นหนึ่งให้ชํนนานาญก่อนแล้วนะคุณต้องรู้จักแยกแยะว่าความคิดดีความคิดไม่ดีเป็นยังไงรู้จักแยกแยะทําจนชานาญแล้วตั้งอยู่ในความคิดที่ดีแล้วเอ done, แต่ว่าความคิดที่ไม่ดีบางทีมันโผล่มางั้นความคิดทั้งหมดไม่เอาอันนี้ต้องขึง ข, ขึ้นขั้นที่2ล่ะอย่าเพิ่งใบเหมารวมมันหมดต้องรู้จักแยกแยะก่อนทีนี้พอในขั้นที่2ความคิดทั้งหมดเราไม่เอาทําใจให้สบายเย็นๆอยู่อันนี้ก็ในขั้นที่สอง แต่บางทีมันมีความคิดวาบขึ้นมาบางทีนี่ก็จะเป็นอาพาธก็ในสมาธิขั้นที่2องไงสมาธิขั้นที่2เป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดละวิตกวิจารณ์ประงับไปแต่บางทีทําไมวิตกวิจารมันกลับโผล่ขึ้นมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาพาธของฌานสองฌานสองนี่คือมีปีติมีสุขแต่ไม่มีวิตกวิจารณ์แต่ด้านมีวิตกวิจารโผล่ขึ้นมาวับๆับไอ้ตรงวับวับตรงนี้เป็นอาพาธของฌานสอง แล้วก็ <Okay. S 1> ถ้าไล่ขึ้นไปงั้นจะทำยังไงไม่ให้มีวิตกวิจาร์ไม่ให้มีความคิดแม้แต่ที่มันจะดีๆโผล่ขึ้นมาเราก็ให้มันอยู่อุเบกขาซะนี่คือขึ้นมาในชานที่3ให้อยู่อเบกขาในกระดับชาน3าแต่ว่าบางทีมันก็จะมีพวกปีติมาแทรกเป็นอาพาธคือคุณธรรมในขั้นก่อนของชานก่อนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นอาพาธของ ชาญที่สูงขึ้นไปเป็นลำดับลาดับอย่างนี้นะค่ะ น, นี่คือคือหมายความว่าถ้าถ้าแปลแบบตามความเข้าใจของเราธรรมดาธรรมดาก็คือว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนชาญที่เหนือกว่าแล้วแต่ยังมีอาการของชาญที่อยู่ข้างล่างกว่าเนี่ยแปลว่าอาพาธเกิดใช่ถูกต้องถูกต้องนะจ ะ, <อ> จ, ะจะไม่เหมือนกับทางโลกตรงที่ว่าในทางแพทยศาสตร์เนี่ย เชื่อวิทยาเนี่ยคือชื้อโรค ก, ก็คือเชื้อโรคใช่ไหม เ, เซลล์ก็คือเซลลทีนี้ว่าในทางสมาธิคุณทําอะไรที่มันดีๆที่เราเคยมีมาก่อนเนี่ยถ้าเราสูงขึ้นไปแล้วแล้วไอ้ก่อนนั้นมาตามเมันมันก็เป็นเหมือนอาพาธไปอ๋อคือแปลว่ามันไปต่อได้ไม่จริงยังกลับมาย่ําอยู่กับที่เดิมอืมอืมถูกตอ้องจเึเป็นอาพาธเตือน่อนค่ะเอ๊ะท่านคะ่ะถ้าอย่างนั้นสมมติในฌานที่หนึ่งนะคะ และอาพาธคืออะไรคะอาพาธของฌานที่หนึ่งคือความคิดในทางกางพยาบาทเบียดเบียนไงคือความสุขทางกลางนะที่เราจะคิดไปในทางกลางพวกนั้นจะเป็นอาพา์ของฌานที่หนึ่งค่ะแล้วถ้าอาพาธของฌานที่สองก็คือปีติและสุขอาพา์ของฌานที่สองคือความคิดวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ออาพาธของฌานที่สามคือปีติและสุขปีติเฉยๆปีติค่ะอาพาธของฌานที่สี่ก็คือความสุขที่อยู่ในฌานสาม อ๋อนะคะก็เข้าใจเรื่องอาพาธกันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันมันเสียก็จริงเพงียงแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ไม่ได้เสียเปล่าถูกไหมคะก็แปลว่าเป็นเครื่องบอกว่าเราต้องพยายามต่อไปอีกเพราะว่าไม่งั้นก็เท่ากับเราไม่ได้ก้าวหน้าใช่อันนี้อันนี้หมายถึงว่าท่านกดรท่นานจ๋าทราบต้องพูดแบบว่าอย่างเนี้ยหมายถึงเรายังไม่เคยสัมผัส ชาญที่สูงสูงขึ้นไปสมมุตินะคะอืแล้วพอท่านบอกว่าเมื่อเกิดอาพาธในชาญใดก็ให้หนี้ไปอยู่ในชาญถัดไปเพื่อแก้อาพาธถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะออย่างนี้เป็นการที่ก็ต้องพยายามปฏิบัติสมาธิต่อไปเพื่อให้กระเถิบขึ้นไปอยู่บนบนชาญถัดมาถูกต้องถูกต้องตรงตรงนี้มีแง่หมุมตรงที่ว่าคําว่าอาพาธในที่เนี้ย มันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งไม่ดีหรอกมันเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกเฉยๆว่าเออเรายังขาดตรงนี้เราก็เอามาเติมจะาเรายังอยู่ตรงนี้เราก็ทำให้มันสูงขึน้นจ้าอย่างนั้นเองเป็นเบร์อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องบ่งบอกเฉยๆวาย่าไงก็ได้ค่ะเป็นเครื่องบ่งชี้ <c oughs> <c oughs> เราจะได้รู้ว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนอย่างไร <c oughs> แล้วก็ควรจะแก้ไขให้ไปต่อได้อย่างไรว <c oughs> ้เห็นไหมคะนะคะวันนี้คิดว่าเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์กับนักปฏิบัติทั้งหลายจริงๆเลย ของคุณชลีนาก็ขออนุโมทนานะคะที่ช่วยถามคําถามให้คนอื่นๆได้พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยและก็ต้องกราบนรัมสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเยาว บ, บานค่ะกราบนรัมสการท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่กรบค่าสําหรับรายการของเรานะคะในส่วนของคําถามคําตอบที่ได้มากราบเรียนกันจะมีเฉพาะวันพรหัสสมบูรกับวันศุกร์ส่วนคนอื่นๆนั้น ท่านเปนปูนก็จะเป็นผู้ที่แสดงทำล้วนๆนะคะคือวันจันทร์ถึงวันพุธที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm หนึแห่งนี้ดิฉันสัสนยินาภงดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอบอกทุกท่านว่าท่านกำลังเข้ามาสู่ในแดนของกุศลและเป็นกุศลกับตัวท่านเองแล้วก็ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองจะทําให้เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็หวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย รายการเราเชิญท่านมาพบกับเรากันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้พุทธวัตสวัสดีค่ะ